ชีวิตทุกชีวิตเริ่มต้นและลงท้ายเหมือนอนกันไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเศรษฐีหรือยาจกของมหาราชาหรือของคนต่งต้อยคือเริ่มต้นและลงท้ายก็ได้เสียงคล่ำครวญและเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกมนุษย์ก็ร้องไห้และเมื่อจะหลับตาลาโลกเขาก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่น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 บ้านใดมีความสามารถคีแม้จะลำบากยากจนแต่ก็ยังหาความผาสุกได้มากกว่าบ้านที่มั่งคัง่งร่ำรวยแ ต, แต่แตกแยกแตกความสามารถคีกันมองกันอย่างไม่สนิทคอยระแวงซึ่งกันและกันความสามารถคีเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐสำหรับหมู่คณะหมู่คณะที่มีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้น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 ยิ่งกว่าโลกสามาัญมากนักแต่คนส่วนมากดูเหมือนจะทอดอะไรตายยากในการที่จะดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากวงล้อมของกิเลสนั้ น, นเมื่อเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมีอำนาจอยู่สองอย่างในตัวเราต่อสู้กันก่อนคืออำนาจฝ่ายต่ำและอำนาจฝ่ายสูงหรือทางจิตวิทยาเรียกว่าตัวนอกและตัวในทั้งสองนี้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 และเหน็ดเหนื่อยมากเท่านั้นมิใช่เพราะความดีหรอกหรือที่ทำให้ท่านต้องระลึกถึงใครคนหนึ่งอยู่มีเว้นว่างมิใช่เพราะสายสัมพันธ์ทางใจ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 บุตธิดาได้เคยมีดอกไม้ทูกเทียนในมือพลางคุกเข่าลงเบื้องบุรภาคแห่งฉายลักษ์ของท่านผู้บังเกิดเกล้าและน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐยิ่งมิตรที่ดีได้เคยพรีชีพของตนเพื่ออุทิศแก่กัลยาณมิตรผู้ตกอยู่ในห่วงอันตรายพอระลึกถึงอุปการะที่สหายเคยทำให้ชายหนุ่ม ผู้มีเกียรติยิ่งอุดมด้วยคุณลักษณะแห่งบุรุษผู้เกรียงไกรไม่เคยหวั่นเกรงแม้อาจยาแห่งสวรรค์ได้เคยคุกเขา่าลงเบื้องหน้าของสุภาพสตรีผู้อุดมด้วยนาน า, นาคุณลักษณะเปลี่ยงไปด้วยคุณค่าแห่งความดีอัญชวนให้บุรุษยินยอมมอบหัวใจให้ฝ่ายสตรีเล่าแม้เคยพยองในสัตว์หญิง